พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23ตุลาคม2555หห้ามีชื่อเรื่องว่าปิยมหาราชประวัติศาสตร์ควรจารึก เมื่อวานท้งรองท่านผู้วาราชการจังหวัดทั้งที่ดินท่านกลุ่มที่ดินหลายอำเภอได้มามอบโฉนดให้วัดเราเนอคณะทายาิโยมเมื่อวานตรงกับวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2555เวลา 18.45 นอตอนค่ำนะ ม, มีการมอบโฉนด สแผ่นสองใบคือใบหนึ่งมันโฉนดของเรามันคลองรารางมันมันเข้ามากลางวัดเรื่องมุมวัดสะพานเนี่ยแหลํารางเนะี่ยรำรางนะเนี่ยแปลว่าสาธารณะเราจะทําเป็ น, นโฉนดของเราไม่ได้อันนี้เป็นรารางเนะคือสาธารณะเราต้องแยกออกเพราะฉะนั้นจึงปักหมดุดดูริมฝั่งคนละข้างเพราะฉะนั้น วัดของเราเนี่แปลว่าแตกลำรางอยู่ตรงกลางลำรางอยู่ในนส่วนหนึ่งเพราะนั้นวัดของเราเนี่ยทั้งหมดที่เราวัดได้แต่ก่อนนั่นะพไร่แต่พอมาวัดจริงโฉนอดออกจริงเนี่ยแปลว่าพ2 6 9ไร่3 า, ามตารางวาถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะอันนี้ก็อยู่ในโฉนดนั่นนะ คือไม่ถึง300เพราะว่ามีลำรางอยู่ตรงกลางเมื่อวานก็เป็นรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะถูกต้องนะพอในพวกเราเทพเจ้าเราเทวาพวกเราท่านทาั้งหลายอนุโมทนาเพระวัดนี้ไม่ใช่ของพุ่ธหนึ่งเพราะอย่าไาปว่าวัดของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปเนี่ยวัดนี่คือเข็มหมดเข็มหมดของประเทศ เออคือเสาหลักของประเทศคือเสาเข็มของประเทศทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าโฉนดอย่างอื่นที่ออกไปนั่น่ะที่ดินต่างแยะๆแล้วก็เปลี่ยนมือกันคนหนึ่งเปลี่ยนให้คนหนึ่งคนหนึ่งเปลี่ยนให้คนหนึ่งก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ของวัดวาศาสนาเนี่ยออกมาแล้วนี่ยแปลว่าเป็นเสาเข็มเลยเออ ฝังลงไปในดินเลยเป็นหมดุดขยับไม่ได้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหลา่าไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงพ่ออินได้มาแล้วจะไปขายวัดก็ขายไม่ได้พี่น้องประชาชนจะทายเทให้ญาติพี่น้องก็ไม่ได้จะไปแซงให้คนอื่นก็ไม่ได้จะให้ทายาตก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นของสง์ เป็นของวัดวาศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาถ้าจะเปรียบเทียบเรเหมือนเสาเข็มหรือหลักหมดุดฝังไว้ในแผ่นดินไทยส่วนฉนดอย่างอื่นนะั้นขยับไปขยายมาได้ขายกันได้แต่วัดวาศาสนาเนี่ขายไม่ได้เพราะนั้นจะไปถือว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีใครได้เปรียบไม่ได้ใครเสียเปรียบ ถ้าคิดแบบอีกแบบนึงนะคนหนึ่งได้คนหนึงเสียอันไหนคิดแบบนั้นคิดแบบโง่โงคิดแบบสั้นๆคิดแบบม้าลำปางคิดแบบม้าอินเดียเอาอะไรปกป้องตาของตัวเองนะมองไม่เห็นทางไกลจะคิดอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องคิดไกลๆวัดวาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของสาธารณะแก่ชุมชนทั่วไปหลวงพ่อเองไม่เคยปิดประตูเก็บเงินผ่านประตูไม่เคยเก็บ ใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้ศาลาหลังนี้เมื่อสร้างขึ้นมาถึงเราจะพวกเราจะไม่ได้ออกเงินจักจะตังแต่ศาลาหลังนี้ก็ขึ้นมานั่งได้เพราะอะไรเพราะสาธารณเป็นของวัดวาศาสานาต่อไปภายภาคหน้าแต่ว่าลกูกหลานเขายังเอรักสังวนหวงแ ห, งหนธรรมาชาติเขาจะรักษา ป, ป่าเอาไว้ที่หลวงพ่อปลูก ไม้ปะดูมะกขาแต่เคียนคองไม้สักเข้าไปดูข้างในเป็นหมื่นเป็นแสนแน่นไปหมดถ้าว่าเขารักในป่าต่อไปภายพายภาคหน้าก็เหมือนกับประเทศสีลังกาที่ภาคเขียวแก้วมีที่ประมาณเจ0ร้อยไร่มีต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นปาูมะข้าไม้ยูไม้ยางไม้อะไรเดี๋ยวนี้เป็นมอระดกโลกเขาขึ้นเป็นมอระดกโลกจุดนั้นน่ะ นี้ของเราพันกว่าไร่เนี่ยป่าดงพงภผยเต็มไปหมดต่อไปอาจจะเป็นมรดกโลกก็ได้ถ้าใครอยากจะรู้ต่อไปภายภาคน้าอย่าไปตายเร็วนะหายใจไว้หายใจไว้หายใจไว้ยไวอย่าตายเร็วอายุถึงพันถึงหมื่นปีก็จะรู้ได้โอ้โหจิงยังจริงอย่างหงพ่อินพูดว่าตรงนี้เป็นมรดกโลกจริงๆก็จะว่าพราะเราไม่ตายง่ายใช่ไ แต่หลวงพ่อมาอยู่แล้หลวงพ่อจะไปก่อนป ะ, ะ่าเนี่ยนี่แหละเป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของแผ่นดินอ่เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเราทุกคนใครจะมาบวชจากเหนือจดใต่เข้ามาบวชมาอยู่ในวัดก็เป็นวัดของพวกเราเป็นวัดของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้หนักใจเฮียใครวัดเป็นอย่างนั้นว่าไปเป็นอย่างนี้อย่าไปหาคิดมากวัดนี้เป็นวัดของ พระพุทธศาสนาแล้วก็สปลอกก็ล้อมวัดล้อมทั้งสี่ ท, ทิศแล้วมีแต่นี่แหละจุดนี้จุดเดียวท่านเองที่มันเป็นป่าอยู่เนี่ยแต่ก่อนนะท้าว่าหลวงพ่อไม่มาอยู่ล่ะเหมือนกับเป็นไร่เป็นสวนเขาเขาทั้งหมดข้างนอกเป็นยังไงข้างในนี่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันอุตริขึ้นมาแต่อยู่ในวัดของเราข้างนอกเตียนไปหมดมันไม่ใช่ ข้างนอกเมันรกเหมือนอยู่ในวัดของเราเนี่ยแต่ก่อนนถามพวกคนแก่ดูสิยังไม่ตายก็มีต่างเยอะแยะไปข้างนอกเป็นยังไงแต่ถางป่าทางโรงพงไพรหมดแล้วกระเตียนหมดล้เป็นไร่เป็นนาเป็นรั้วเป็นสวนเป็นสวนยางเขาหมดแล้วยังเหลือแต่อยู่ในวัดเนี่ยแล้วจะมาอิดช้าว่าวัดทําไมมีป่ายอย่างนั้นได้เหรอทำไมคิดโง่เกินไปมันก็ต้องคิดอย่างนั้นถ้าคิดด้วยความรอบคอบคิดด้วยความฉลาดกินมันจะมีอะไร วัดวาศาสนาเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อไม่ใช่สมบัติของพระหลวงพ่อจะอีกเท่านานเท่าไหร่อีกไม่นานก่อนเลยเผาทิ้งกระดูกพวกเราท่านทัน้งหลายจะอยู่โชวฟ้าดินชลายอย่างนั้นเหรอก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับทุกๆกคนนะถ้ามีใครถาม ถ้ามีใครถามต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเอาเทปม้วนนี้ออกพูดได้เลยแต่หลวงพ่อก็พูดไว้สองสาม้วนแล้วละ่ะในคำพูดนี้ถ้าเผื่อมีผู้ใดมาถกเถียงมาถามค่องใจให้ถามเลยให้พูดได้เลยหลวงพ่อเนี่ยกล้าพูดเพราะไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนยมันเป็นสมบัติของแผ่นดินเหมือนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา ออกจากกรมป่าไม้มาอยู่กรมศาสนาะออกจกากกรมศาสนาไปอยู่กรมปกครองมหาดไทยออกจากกรมปกครองไปอยู่กรมตำรวจเป็นอะไรไปก็ของแผ่นดินนี่ถ้าไม่โง่ามากจนเกินไปมีแต่พวกโง่โง่งทั้งหลายมองตาสั้นๆทั้งหลายแหลน่นะมองแต่เขา้ากระเป๋าของตัวเองพวกไม่มองไกลถ้ามองไกลแล้วหลวงพ่อว่าไม่มีปัญหาอันนี้ก็ฝากไว้กับ ลูกกับหลานกับศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าหน่าและก็วันนี้เป็นวันพระเคลื่อนแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดตรงกับวันที่ยี่สิบสามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยสิบห้าเป็นวันปิยมหาราชวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางราชการหรือพี่น้องประชาชน ให้ความสำคัญต่อรัฐการที่หเพราะรัฐการที่หเนี่ยเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นผู้ปลอ่ปลอยทาสปล่อยทาสจำไมก่อนพวกคนทั้งหลายมีทาสทาสข่าใช้บริวารเขาว่าเป็นทาสไม่มีเงินดงเงินเดือนอีกต่างหากแต่รัฐการที่หโลกเขาปล่อยทาสรัชการที่หเนี่ยเป็นรัชการที่ปล่อยทาส ไม่ให้ใครเป็นขี้ค่าใครถ้าจะจ้างก็จ้างเป็นเงินเดือนหรือเป็นสินรางวัลไม่ให้เอามาใช้เฉยๆนี่แหละอันนี้ก็คือรัชการที่ห้ามีคุณูปการต่อประเทศชาติมากมายหลายอย่างาประเทศชาติที่รอดพ้นปากเกี่ยวปากากาออกมาเป็นอิสระเสรีภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นเขาก็คือรัชการที่ห้า รัชกาลที่หเนี่ยเป็นรัชกาลที่เกิดมาเพื่อเป็นหัวใจของประเทศไทยจริงๆเป็นใครครัว่าเป็นเกิดมาเพื่อยุคสมัยที่ว่าต้องจะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้เอาตัวรอดอคงจะพรัสยามเทวาธิราชของเมืองไทยไปเชิญดวงวิญญาณของเทพปรุติลงมาเกิดในเหตุการณ์ ในช่วงบ้านเมืองเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้รัชการที่ห้ามาอยู่ในจุดช่วงนั้นพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันให้อ่านดูประวัติศาสตร์ถ้าพวกถ้าฟังเลยแล้วงคงจะไม่เกินไม่เกินเที่ยวหลวงพ่อพูดคงจะไม่ว่เกินไปหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกหลวงพ่อคิดดูแล้ว เพราะเหตุใดพรรัชการที่5เนี่ยในช่วงนั้นบ้านเมืองฝรั่งเศสเขาก็มายึดประเทศลาวขเขมรเวียดนามทั้งอังกฤษเขาก็มายึดสิงคโปร์มาเลพมาและก็ฮอลแลนด์ยึดอินโดนีเซียทั้งประเทศฟิลิปปินสเปนแปลว่ารอบด่านของเรา ยังเหลือแต่ประเทศไทยเขาจะแบ่งกันแล้วเขาจะแบ่งแม่น้ำจเจ้าพญาเป็นแดนฝรั่งเศสก็จะเอาทางนี่แหละแม่น้ำจเจ้าพยาไปถึงไหนทางอังกฤษเขาก็จะแบ่งเอาจุดนั้นอ่ะไปนี่แหละเขาก็พยายามยกทัพเข้ามาเพื่อจะมาชิงประเทศไทยรัชกาลที่ห้าเนี่ยคราวนั้นน่ะท่านก็พอรู้ภาษาอังกฤษบ้างพพอ่อของทางของท่านรัชกาลที่สเนี่ยเคยบวช ท่านก็เคยติดต่อกับต่างประเทศแต่รัชการที่ห้านี่ก็พอจะรู้ภาษาอังกฤษภาษาต่างๆจากนั้นท่านก็วิ่งไปเยอรมันวิ่งไปรัสเซียขอให้กำลังเหล่านั้นให้กางเอาไว้กันเอาไว้ปกป้องเอาไว้นี่แหละต้องหาคนที่ปกป้องจากนั้นประเทศรัสเซียก็ดีเยอรมันก็ดีเขาก็ช่วยเข้ามาประเทศไทยเอออย่าพิ่งนะประเทศไทย กำลังได้รับการพัฒนากําลังก้าวไปสู่ความการพัฒนาเขาก็การยับยั้งเอาไว้ยุโรปแต่ยุโรปเขากันกันทะานั้นอังกฤษก็เกรงใจฝรั่งเศสก็เกรงใจแต่ถึงยังไงก็เถอะสมัยนั้นรัฐการที่5กากจ่ายเงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะเกิดจุดสงครามในประวัติศาสตร์กันี่แหละรัสเซียเขาฝรั่งเศสเขายกทีมเข้ามา ปืนใหญ่มายิงตลมพวกเราก็มีปืนเล็กเนที่ยยิงลงไปยิงงไปลูกกระสุนมันก็ไม่หลีใครเหมือนกันนะถูกฝรัง่งฝรั่งก็ตายเหมือนกันเนละแต่ปืนใหญ่เขามายิงมาเมืองคนไทยคนไทยตายเหมือนหมาตายอแต่ว่าฝรั่งตายเหมือนเทวดาตาย เ, าเทวดาเนี่ยมีแต่คนสาคัญของเขาทั้งหมดใครจะไปรู้ใครจะไ ป, ะปสืบตระกูลของเขาว่าเป็นมาจากไหนคนนี้เป็นนายพลคนนั้นเป็นนายพันคนนั้นเป็น 9, 000, นายเอกนายโทเขาก็ว่าต้องจ่ายค่าหัวเท่านั้นค่าหัวตอนนี้นี่รัชการที่ห้าเอาอยัางไงก็ได้รูดเอาเงินในสนมกำนันทั้งหลายเอามาให้เข า, เ, าเพื่อเสียค่าปรับเขาที่เขาปรับตัวเองตายไม่เป็นไรเพราะเหมือนหมาตายเพราะตัวเองมันอำนาจไป ไ, ไม่เหมือนเขาทนำะไม่งั้นเขาจะเยียบนะพวกเราคิดดูสิ กษัตริย์สมัยก่อนรัชกาลที่ห้าจะทุกขนาดไหนถ้าเป็นหลวงพ่อนะอาจจะยังไม่พูดขนาดไหนเส้นเลือดอาจจะแตกในสมองก่อนก็ได้แต่รัชกาลที่ห้าเส้นเลือดท่านคงจะเหียวนะท่านเกิดมาเพื่อปกป้องประเทศชาติจริงๆปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆ จ, จากนั่นท่านก่อนเนี่ยจ่ายอะไรให้เขาจัดนั้นจากนั้นมาท่านคือโอ้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะนี้มันต้องมีเงินถุงขึ้นมาเดี๋ยวเงินถุงแดง ก็เลยรวบรวมเงินเก็บภาษีออกมาให้เป็นเงินพัฒนาประเทศที่ปกป้องประเทศขึ้นมาเนี่นี่แหละถ้าหลวงพ่อไม่พูดพวกเราศรัทธาญาติโยมก็คงไม่รู้เหมือนกันนะอเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินมหากษัตราสติปกป้องประเทศชาติได้ยังไง น, น, นั่นแหะจากด้านท่านก็นเนี่ยค่อย ป, ปกป้องประเทศชาติขึ้นมาอังกฤษก็อยู่อีกมุมหนึ่งฝรั่งเศสก็อยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยจนฉง คลามโลกครั้งที่สองขึ้นมาเนี่ยต อ, อนนี้กับรัชกาลที่เจ็ดแล้วนแต่รัชกาลที่ห้าท่านปกป้องมาอย่างสุดๆนพวกเราลูกหลานทุกนี้ยุคนี้สมัยนี้อาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้อย่างว่าน่ะโอ้รัชกาลที่ห้าเนี่ยโง้จริงๆถ้าหากว่าพวกเรานะสมัยโน้นนะแต่เป็นประเทศเป็นขี้ฆ่าเขานะอังกฤษ ม, กงงษมาปกครองฝรั่งเศสมาปกครอง พวกเราคงจะเก่งภาษามากกว่านี้อันนี้พวกเราไม่เก่งภาษาเพราะพวกเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของเขาเห็นไหมพม่าเขาเก่งได้เกินภาษาอังกฤษเพราะว่าปร ะ, ปร ะ, ประเทศอังกฤษมาสอนให้เขาเมืองไทยก็เลยโง่ภาษาอังกฤษในแย่สู้เขาไม่ได้น่าเสียดายจริงๆเจ็บเมืองเราไม่ได้เป็นขี้ข่าของเขาคนในเมืองไทยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะมันคนมีหลายระดับ แต่หลวงพ่ออิโนโอ้อยใหม่แล้วภาคภูมิใจยอย่างมากเลยประเทศไทยเป็นอิส ร, ระที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำเฉลียวฉลาดขนาดนี้หาได้ยากประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นขี้ข่าตุปัตตุเปทุกวันทุกวันเเนี่ยเป็นขี้ขาเขามาก่อนประเทศของไทยของเราไม่เป็นขี้ข่าของใคร แต่ก็น่าเสียใจว่าคนในชาติไม่รู้จักคุณค่าของตเองนเองเท่านั้นเองทะเลาะเบาแวงกันใช้สติใช้ปัญญาทั้งที่จะออกมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเอาใช้สติปัญญาใช้ความรู้มาห้าหั่นกันทั้งที่ประเทศชาติของเราเป็นเอกราชและก็ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศปีหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านค่าไปเรียนไปต่างประเทศ แข่งกันไปเรียนพอจบมาแล้วก็น่าจะหันหน้าขอห่าการพัฒนาประเทศเออประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนี้เราประเทศของเราน่าจะพัฒนาไปอย่างหุ่นอย่างนี้เออน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มาทะเลาะกัดฟ้องกันโนเนียไปหมดทุกวันเยเหมือนกับหมากัดกันคนหนึ่งกัดแข้งคนหนึ่งกัดแขนคนหนึ่งกัดขาคนหนึ่งกัดคอเนี่ยลุมกัดกันเฮพวกเราดูซิ นานๆพวกเราจะได้ยินหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรนี่อันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดเหมือนกันถ้าใช้หลักธรรมก็นนี่แหละเพราะพุทธศาสนาเป็นมาได้เพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศชาติ เ, าเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมคณนะสัทธายาตโยมทุกๆท่านในเกิดมาพื้นแผ่นดินไทย นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากปฏิรูประเทสวาโซจะอยู่ในประเทศที่เหมาะสมไม่ร้อนไม่หนาวไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีธรรมชาติข้าจนเกินไปถึงจะพองกันนิดๆหน่อย่อย่างที่น้ำท่วมเมื่อกี้เนี่ยเพราะอะไรก็เมืองไทยของเรากรมเึงงก็ให้น้ำไปถึงคัดน้ำปันไม่ให้นน้ำไปลง ไปทางทางน้ำจะไปคัดให้มันขึ้นเขานะ่มันก็ท่วมคนนะสิคนในชาติทำไมสรุปแล้วก็คือไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันมีแต่ความทิศ ม, มีแต่ทิฐิมานะเข้าหากันมีแต่ความโง่เข้าหากั น, มมาากนไม่ได้ใช้ความฉลาดนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นปีที่แล้วน่ยหลวงพ่อสรุปได้เป็นอย่างนั้นนะให้พวกเราอยากจะสรุป่าให้ค่อยสรุปดูฮะนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราเกิดในประเทศอันสมควร ปฏิรูปรเทสว่าโซจ่ปุบเพจา ก, กะตะปุญญาตาเนี่ยพวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยถ้าพวกเรามีกรรมชั่วที่กรรมไม่ดีในอดีตเนี่ยพวกเราคงจะไปเกิดนั่นแถวประเทศที่อดๆจากอยากฆ่ากันไม่รู้จักแล้วจกเลิกไปเกิดในที่ไหแถวแอฟริกาท้องใหญ่ๆ ห, หัวโตๆขารีบๆไนงะ เออในโลกมันมีนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนั่นแหละคือแปลว่ า, าบุพกรรมไม่ดีแงก้าวการกระทําของเราไม่ดีเราจะไปเกิดอย่างนั้นแต่นี่พวกเราคงจะมีกรรมดีปุเพจากกตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอัตตะสมมาปานิธิเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามาเกิด ในพื้นแผ่นดินไทยมีความสุขอย่างนี้เป็นไปลักษณะอย่างนี้พวกเราควรตั้ง ต, งตนไว้ชอบให้ประกอบแต่คุณงามความดีให้ประกอบแต่ศีลและธรรมประจําใจสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําถ้าว่าเราคิดเราพูดเราทําแล้วกรรมชั่วเหล่านั้นจะตามให้ผลเราจะเป็นทุกข์เมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราเกิดมานับว่าโชคดีเป็นผู้มีบุญ ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นอีกต่างหากาโชคหลายหลายเด้งเพราะเห็นไรเพราะสายหลวงมั่นปู่มั่นเราคิดดูสิหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนในธรรมคาสอนของพันธุ์ที่เราแจกไปเมื่อกี้อ่านดูสิฟังดูสิท่านปฏิวัติอย่างไร เมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแต่ละองค์อธิธาตของท่านกระดูของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นที่ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างนั้นเป็นพระธาตุอะไรก็คือพระธาตุของพระทหารพระทหารน่าจะเป็นพระธาตุอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่พระทหารจะไม่เป็นนี่แหละนวัดเราเป็นผู้โชคดีอีกมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยในยุคอีสานถึงจะเป็นถิ่นดีห่างแห้งแล้ ง, งกันดานก็จริงอยู่แต่ว่าเป็น เกิดมาพวกเราก็มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยอไม่ก็ตกกระตทำลําบากจนเกินไปก็พออยู่ได้ตามอัตภาพก็ดีกว่าคนห ล, ลายๆคนแต่ถึงยังไงก็เถอะได้ประพฤติธปฏิบัติได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติได้สสแสวงหาทางพ้นทุกข์ถึงยังไงเกิดมาถึงจะร่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะแก่เจ็บตายก็ไม่ละเว้น อ, อีกสักวันหนึ่งเขาก็ตายเหมือนกันแต่เราก็ตายเหมือนกัน แต่การตายของเราเนี่อย่างน้อยเราก็ได้สั่งสมคุณงามความดีได้สร้างบุญรักสร้างกุศลเอาไว้จะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเรากนนับว่าโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบสายพระหรหันต์คือสายหลวงปู่มั่นอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะอันนี้อันนี้พวกเราให้คิดไว้ถ้าหลวงพ่อไม่พูดพวกเราก็คงจะไม่ได้คิดนะแต่พวกถ้าหลวงพ่อได้พูดเอ๊ะ หลวงพ่ออีนี่เบ้อไปหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยก็ให้พวกเราได้ใช้ปัญญากันกรองไตรตรองอีกครั้งหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อง่ายๆถ้าเพิ่เชื่อง่ายๆมันเป็นควายเขาจูงเพื่อนไหนก็จูงไปได้มันต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตตรัสไปนี้พูดไปนี้ท่านเชื่อไหมยังก่อนอยังไม่เชื่อก่อนพระเจ้าค่ะ จนกว่าข่าพระองค์จะนําไปประพฤติปฏิบัติดูแล้วข้าพระองค์จะนํามากราบถูลเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะเนี่ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสขนาดนั้นภาษารลขปูรก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้นี่หลงพระอินพูดแต่พวกเราจะเชื่อทั้งหมดได้อย่างไรพวกท่านพวกเราทั้งหลายต้องใช้จติตใช้ปัญญากันกลองไตรตรองอีกครั้งหนึง่งพูดมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมเออถ้ามีเหตุผลถ้าถูกต้องแล้วเราก็เออยอมรับว่าอืม ใช่ถูกต้องพูดอย่างนี้ถึงใครจะพูดก็ทุกผูพูดโดยหลักเหตุผลเด็กอมนิ้วพูดกระทุกเพราะเขาพูดโดยหลักเหตุผลถ้าหาว่าพูดไม่อยู่ในหลักเหตุผลไม่พูดพูดมาอยู่กระล่องกระลอยพูดเอาข้างเข้าถูเอาแต่ความคิดเห็นตัวว่าฟังดูแล้วไม่ได้คิดความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างไรมีถ้พูด ลามปามไปเรื่อยถึงจะหัวงอกหัวขาวพูดก็พูดเถอะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสองเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกเออมันไม่ถู ก, ถกตามหลักเหตุผลถ้าพูดตามหลักเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดก็ว่ากันไปบวกเท่าไหร่ก็ถูกเท่านั้นเพราะว่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุผลนี่ เพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ใช้จติให้ใช้ปัญญาให้ใช้หลักเหตุผลในการดำเนินชีวิตในการดำเนินการเป็นอยู่ในแนวความคิดในการกระทาหรือการนับถือเลื่อมใสจะนับถือเลื่อมใสเรื่องอะไรเราต้องมีเหตุต้องต้องมีผลจะต้องกันกรองไ ต, ต่ตรองด้วยเหตุและผลจึงจะนับถือเลื่อมใส เชื่อถือในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่าเขาพูดไปยังไงก็จูงไปยังไงก็ทําไปยังไงเขาว่าไปยังไงก็ว่าไปตามเขาออคนโบราณเขาว่าเสนาบักขีกาใครๆเขาว่าไงกขาว่ากันตามเขาคนที่เชื่อถือได้ก็พูดกับว่าก็ไปตามเขาแต่ตามไม่จริงเอพูดไม่มีเหตุมีผลก็ว่าไปตามเขาอีกเหมือนกันเพราะตัวเองไม่มีหลักหลักลอย ไม่เชื่อมั่นในตนเองเราต้องต้องเป็นอิสระต้องเป็นตัวข้องตัวต้องเชื่อมั่นในตัวข้องตัวแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะเชื่อมั่นขนาดไหนก็เถอะแต่เรามาพิจารณาการคลองไต่ตรองดูแล้วของเราในพูดถูกแน่ตรงแน่แต่ว่ามันไปขัดกับเขาอย่างแรงเราก็ต้องอต้องคิดบวกลบคูณหารเอาเถอาทางเราเอาอย่างเราไม่ได้มันชนเขา เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเราจะหลุดจากตำแหน่งอีกต่างหากเอาเถอะอถึงเราก็ต้องยอมเขาล่ะแต่ว่าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เรามีอำนาจเมื่อไหร่เราจะไม่ทำอย่างนี้แต่คราวนี้เอาเถอะเราด้อยกว่าเขาเราต้องย อ, ยอมเขายกมือไหว้เขายอมเขาไปก่อนเป็นเสนาะมักี้กาไปก่อนเลสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหัวชนฝาดนี่จนหัวแตกแล้วก็ยังดันไปอีกอยู่ไม่ใช่ ถึงจะโูกก็ต้องก็ต้องยอมยอมส่วนหนึ่งเพราะเหตุว่าโลกอันนี้มันมีมันมีมากลากหลายเพราะทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคาสั่งสอนมันมีหลายระดับเออเอาตัวรอดก็มีเออแต่ว่าตามไม่จริงถ้ามันผิดถ้าเราเอาชนะได้อยู่มันเรามีอำนาจเต็มเราม่เขาไม่ต้องยอมเราก็ต้องตามนั้น แต่ถ้าว่าเรามีอานาจไปเต็มพอไปตีเขากำลังตัวเองน้อยกว่าเลยพอดีเขาก็ใส่สันหน้าแข้งใส่ยอดคอก้านคอตัวเองเสร็จก็หมดไปเลยมันก็ไม่คุ้มค่าเหมือนกันนะเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดสรุปแ้วก็คือใ ห, ให้ใช้แนวความคิดให้ใช้ปัญญาอันนี้วันนี้หลวงพ่อได้สอนแนวแนวชั้นเชิงชั้นเชิงให้แก่พวกเราชาวพวกเราชาวพุทธ พวกเราทุกทุกท่านนี่ตีได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นำไปคิดการคลองไตทองเลยทลัพนในครั้งพุทธกาลมีโยมคนหนึ่งเขาอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญมากเอจะทำยังไงจะได้บุญมากบูชาพระพุทธเจ้าก็บูชาเคารพเชื่อถือบูชาพระพุทธเจ้ากระบูชาพระสงฆ์ก็เห็นพระสงฆ์กระบูชาพระสงฆ์ ทำบุญทำทานกับพระสงฆ์แต่พระธรรมเนี่ยเราจะบูชาอย่างไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะบูชาอย่างไ ง, รร ง, จ, ง, ไงจึงจะได้บุญจะได้บุญมากนะวันหนึ่งเขาก็ถือผ้าไตรแล้วก็อาหารการบริโภคออกไปไปกราบพระพุทธเจ้าอยากจะบูชาพระธรรมอยากจะทําบุญกับพระธรรม จะทำบุญอย่างไงหนอจะจึงจะได้บุญมากจะทําบุญกับพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ทําบุญมากอยู่แล้วพระสงฆ์ก็ได้ทําบุญมากอยู่แล้วแต่พระธรรมเนี่ยจะทํำยังไงพระเจ้าข่าจึงจะได้บูชาทําบุญกับพระธรรมเพระพุทธองค์บอกว่าไปเอาไปถวายพระอานนุนั่นแหละคือครังพระธรรมถ้าไหนเขาเอาไปถวายพระอานนุ์เอาจะตุปปัจจัยเอาผ้าอย่างดี ละอาหารการบริโภคต่อไวพระอานนุ์ในเมื่อพระอานุ์ได้รับแล้วพระนรุนบอกอืมเราเป็นพระธรรมก็จริงอยู่พระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าวางไว้เราก็ได้ศึกษาแต่พระธรรมสารีบุตรเนี่ยทอแม่ทัพนายกองพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดีเอท่านเหนือกว่าเราเราควรจะถวายอืพระษาลิบุตร เป็นผู้มีปัญญาเลิ่ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าไปถวายภาษารรบุตรภาษาไรบุตรก็อืมใช่ที่เราได้รับธรรมคําสอนจากที่เป็นพระธรรมเสนาบดีก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระศาสนาเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ให้เรามา เ, เรายังไม่สุดเราไปเราไปทําบุญกับพระพุทธเจ้า กเลยเอาไปถวายพระพุทธเจ้าอีกของเหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้รับเลยไม่รู้จะถวายใครสมดทางไปเหนือกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้รับไว้แต่นี้พราหมณ์คนนั้นเขาก็เลยถามอีกเลยเอ่่ยที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยอพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนี้ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าก็บอกออืแนวความคิดนี้เนี่ย ไม่ใช่มีความคิดแต่ในครั้งนี้นะในครั้งก่อนก็เคยมีลักษณะคิดอย่างนี้นตอนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าข่าที่มีความคิดอย่างนี้นคือคนอยากจะได้บุญอย่างนี้และมีความคิดอย่างนี้น่ยสมัยไหนพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ากุงพลานสีชื่อว่าโกลบท่านครองพลานสี ท่านปกครองโดยธรรมแปลว่าปกครองโดยธรรมคนทั้งหลายเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมแนะนำสั่งสอนให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโรงศาลเนี่ยล้างไปหมดเล ย, เยคล้ายๆว่าไม่มีพิพากษาอายการพวกนั้นก็ไม่รู้ตำแหน่งก็ว่างไปหมดเพราะคนทำแต่คุณงามความดีไม่มีคดีความ มีอะไรก็พูดกันได้เจรจากันได้รอมซ้อมกันได้รักกันเหมือนกับพี่พี่น้องๆเออรักกันด้วยศีลด้วยธรรมท่นี้โลงศารทั้งหลายก็ร้างพิพ า, ากษาขโมดตำแหน่งอายการขมดตำแหน่งตำรวจขโมดตำแหน่งเพราะว่าไม่ได้ไม่มีอะไรต่ีพระเจ้าแผ่นดินโอ้คนที่คนที่ยอมรับเราเนี่ยแต่ยอมรับแตอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรือจะออกไปในชนบท ที่ไหนๆเขายอมรับหรือเปล่าในเขตสีมาของเราที่เราปกครองเนี่ยจากนั้นพระเจ้าไป็นหนึ่งก็ปลอมตัวก็ให้อํามาตคนหนึ่งคือเป็นโปรโหิตเน่ยเป็นผู้แนะนําสั่งสอนพระราชาคนหนึ่งคือโปรโหิตก็มีหลายคนอย่างดังองค์ขมนตรีทุกวั น, นมีหลายคนอย่างนั้นมีหน้าที่คนละตาแหน่งอันนี้ก็ท่านเขาเอาองค์ข้ามณฑีโปรโหิตร์อำมาตยเนี่จะว่านั้นก็ใช่ ไปด้วยกัะท่านท่านที่แรกก็ไปใกล้ๆก่อนไปรอบๆเมืองกับไปฟังสังเกตว่ะนี่ไปง่ายพระราชาปกครองบ้านเมืองพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมผมนัน่นแหอะจะจะฟังฟังเสียงดูซิแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือพระราชาก็เหมือนกับตำรวจเหมือนกับแต่งปลอมพระองค์ไปไปถามคนเขาก็โอ้พระราชานี้ปกครองดีมากเลย ประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขโจรผู้ร้ายไม่มีท่านก็ขยับพระเอกไปเรื่อยๆไปที่หนึ่งท่านก็ไปไปนั่งอยู่ท่าน้ําต่ไปคนก็อาบน้ํากันเพราะสมัยก่อนไม่มีน้ําประปาน้ําอย่างทุกวันเนะี่ยไม่มีท่อนะ่ยคนทั้งหลายถึงตอนเย็นก็ไปอาบน้ําตอนเช้าก็ไปอาบน้ําในท่าน้ำํำตอนนี้คนทั้งหลายไปอาบน้ำประราชาก็ไปนั่งอยู่ซาลาท่าน้ําเขา เกิดจะได้ถามไทยใครมานั่งไก่กับถามเออเป็นไงไอ้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุกดีแล้วมีอะไรไหมเขาจะถามแต่แตอนนี้มีพราม์คนหนึ่งเออเป็นผู้ล่ำรวยในถิ่นนั้นเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ทั้งแปดสิบโกดท่านก็มาเห็นพระราชาพระราชาเอา๊ะบุคคลผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดานะ เ, าเพราะว่าท่านเขาคงจะดูหัวแห้งออกอีกต่างหาก มองดูแล้วอ้คนตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาเอมันต้องมีสักสีอะไรแน่นอน่ะเลยพรามณ์ตอนนั้นก็เลยปุรั บ, บอบอกว่าท่านท่านครับท่านมาจากไหนท่านก็มาจากในเมืองเออให้ท่านรอยอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาของมาอให้ท่านจะได้พราม์ก็รีบไปก็รีบไ ป, ไ, ปไปจัดอาหารอย่างดีเท่านั้นเละดีที่สุดในยุคสมัยนั้นน่ะ มีอาหารมาสำหรับกางอย่างดีมาคําบอกว่าผมเอาถวายมอบให้แกท่านท่านมาจากไหนเป็นใครทางพระราชาก็แย้มแย้มให้ฟังโอ้เอออันนี้เป็นผู้ปกครองเราเนะนี่ยแต่เนี่ยเอาขอถวายอาหารกับท่านอาหารอย่างดีสําหรับคนคนเดียวนะจะแดงว่าเศรษฐีคนนัน้นกับขี้เหนียวพอจงควรหลวงพ่อว่านะขณะท่านมาสองคนยังให้คนคนเดียวนะ ให้อาหารอย่างดีคนคนเดียวอาจจะหาอาหารเรือาา ร, รดดกลไดอาหารพิเศษไงพอถวายท่านท่านก็ยกอาหารอย่างดีให้โปโลหิตของท่านใครอัมมาตของท่านติดติดตามไปด้วยแต่ได้พอให้อัมมาตอัมมาตก็มองซ้ายมองขวาไปเห็นลือศีลือศีนั่งอยู่ในใกล้ๆแถบนั้นท่านก็เอาไปประเคนอาหารในลือศี ทางลือสีได้แล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไปเห็นพระภิกษุองค์หนึ่งคือพระปฏิเจกพุทธจยาวที่นั่งอยู่ในละแวกนั้นน่ใกล้ๆอยู่นั่งอยู่โคลนต้นไม้รือสีเนี่ยก็คานเข้าไปก็ไปถวายพระปฏิเจกพระปฏิเจกได้รับเสร็จแล้วพระปฏิเจกมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่เห็นใครที่จะเหนือกว่าตนเองเลยพระปฏิเจกก็ฉัน ฉันอาหารฉันอาหารของเอพราม์คนนั้นอะ่ะไม่แบ่งให้ใครเพราะอาหารคนเดียวทั่นก็นฉันลำพังแต่นี้เศรษฐีคนนี้เลยถามว่าข้องใจเอ๋ท่านผมเนี่ยผมอยากจะถามเหลือเกินอยากจะถามเพื่อประดับความรู้ว่าเนี่ยผมได้มีเจตจำนงอย่างมากที่จะถวายพระ อ, องค์ท่าน พระองค์ท่านสวยพระกยาย อ, อาหารของผมอาหารของผมนี่ยสำหรับคนคนเดียวอาหารผกจัดมาอย่างดีถ้าท่านมีความล่องใจว่าอาหารของผมนี่เป็นยังไงไหมพระราชาบอกว่าใช่อาหารของคุณ เ, เรามองว่าอาหารดีเลิศแต่เราคิดว่าสําหรับเราเนี่ยเรามองเห็นอาจารย์ของเราเห น, เนือกว่าเพราะอาจารย์ของเราเนี่ยท่านให้ความรู้เอให้ความ สอนวิชาความรู้ให้กับเราเป็นกระจกเงาหรือว่าเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นผู้ชี้หนทางให้กับเราเพราะนั้นเราคิดว่าเราเนี่ยความรู้หรื่อการเป็นอยู่ของเราเนี่ยด้อยกว่าอาจารย์เราควรจะบูชาพระคุณของอาจารย์ให้อาจารย์ได้ฉันจะหมอะให้อาจารย์เอาเลยฉันอาจารย์ฉันแต่เศรษฐีคนนั้นถามว่า อาจารย์ครับในเมื่อพระราชามอบอาหารให้แกบท่านแล้วท่านทาไมจึงไม่ไม่ทานอาหารของพระราชาที่ที่ท่านมอบให้ท่านทำไมเอาไปให้ฤาษีทางปรโรหิตก็บอกว่าใช่เราเป็นอาจารย์ของพระราชาก็จริงมีความรู้ในเรื่องทางโลกแต่ฤาษีเนี่ยเขาอยู่ในป่านะเขาบำเพ็ญตระปะเขามีฌานสมาบัติ เออเป็นผู้แร่งพ่อฤาษีเนี่ยเป็นมีเป็นผู้มีตาปะอย่างมากเพราะนั้นเราเนี่ยสู้ฤาษีไม่ได้ฤาษีมีคุณธรรมมากกว่าเราเพราะนั้นเราจรึงเห็นสมควรที่จะไปถวายพระฤาษีให้ท่านได้กินได้ะจะได้ได้กำลังแล้วก็จะได้มีญาณสั่งสอนคู่คนแต่นี้ไปถามฤาษีอกเอี่ท่านฤาษี ท่านทําไม เ, เมื่ออมาต ถ, ถวายท่านแล้วโปรงหิตถวายท่านแล้วทำไมท่านจึงไม่กินอาหารท่านทําไมจึงเอาไปถวายพระภิกษุพระฤาษีบอกว่าอืพระภิกษุองค์นี้เนะ่ะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าท่านอยู่ป่าอยู่ตามลําพังยันอยู่ที่อยู่ในป่าหิมพานย์อยู่ททศที่ถ้านันทมู ล, ละกะเป็นกลุ่มพระประเจก แต่ท่านมาที่นี่ตามลำพังวันนี้ท่านคงจะมาโปรดพวกเราพระภิกษุองค์นี้นะเป็นผู้มักน้อยสัต์โดดนะเป็นผู้ไม่สแสวงหาไม่ได้ทำเองไม่ได้สแสวงในการหาอาหารออใครข่าวาไปบินถาวายได้เท่าไรเท่ากับฉันท่านั้นเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มักน้อยสันโดษที่สุดเพราะนั้นไม่มีใครที่จะเหนือกว่าพระปฏิเจตแต่เราเนะี่ยยัง ยังหาอาหารยังไปขุดมันยังไปเก็บลูกเดอยลูกว่าอยอดอไม้หัวมันมาสแสวงเสาะแสว ง, สวงหาอาหารเลี้ยงชีพแต่พระองค์นี้พระประเจกพุทธเจา้าท่านจะไม่ทําอย่างพวกฤษีชีภัยท่านจะไม่ทําเหมือนกับฆราวาสทั่วๆไปเพราะท่านอยู่ท่านมักน้อยสันโดษอยู่อย่างพระเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าว่านเหนือจาก เหนือกว่าข้าพเจ้าในการเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติตั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลิศกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเห็นว่าท่านเหมาะที่สุดที่จะถวายอาหารเหที่ข้าพเจ้าได้รับมานี้ไปถามพระปเจเอกเถอะนี่พระประเจกท่านท่านทําไมจึงได้ทานอาหารไม่แบ่งปันให้กับใครเลยท่านได้รับมาแล้วท่านกับฉันชอยพระประเจกบอกว่า เรามองดูแล้วในบริเวณแถบนี้ไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเราเพราะเราเนี่ยเป็นผู้ไม่สแสวงหาอาหารเราไม่ได้ทําอาหารเองเราไม่ได้เออทามาค้าขายเราบินเท่าบาทได้เท่าไหร่เราก็ฉันเท่านั้นเราเลี้ยงชีพเนื่องด้วยผู้อื่นเพราะนั้นเราได้มาแล้วก็ฉันนีแต่เนี่ยดู ส, สีเนี่ยเขาก็ส่อแสวงหา หัวมันในป่าในดงแล้วก็อาหารพวกเศษอาหารพวกเสือพวกอะไรกินเขาก็มาต้มมาแกงกันกินตามลำพังสรุปแล้วคือเลสีก็หาอาหารกินเองส่วนปุโรหิตก็ทำมาค้าขายแต่ทำมาเป็นอาจารย์สอนพระราชาส่วนพระราชาก็นั่นนะ เ, เป็นผู้ปกครองประเทศชาติเพื่อหาเงินทุนเข้าแก่รัฐแก่ประเทศชาติของตนเองสรุปแล้วก็คือพวกนี้เป็นปฏิคาหก เป็นผู้รับและก็เป็นแนะนำทายกผู้ให้เพราะนั้นทายกผู้ให้กับท้าปฏิฆาหเนี่ยเขาทะเลาะกันแต่เราในไหม่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราในลอยตัวเราอิดเป็นอิสระในการเป็นอยู่เพราะนั้นเราจึงฉันอาหารมองไม่เห็นใครที่จะเหนือกว่านี่แหละพระพเจกพพุทธเจ้าท่านอธิบายท่าน เป็นพระประเจกฉะนั้นพอฉุบสวยพระกระจาหารเสร็จแล้วท่านก็เหาะขึ้นบนอากาศกลับไปทานั้นธรรมุน ล, ลากาของท่านในป่าหิมพานนี่แหละนิทานและชาดกในเรื่องนี้ท่านเศรษฐีคนนั้นพราหมณ์คนนั้นก็ไม่กราบพระมหากษัตริย์โอ้โหท่านพระมหากษัตริย์ที่ท่านเสด็จมาที่นี่วันนี้นะ ให้แสงสว่างกับผมอย่างมากเลยผมรู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าอันไหนควรมิควรอย่างไรอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนควรมิควรอย่างไรผมมองทะลุเลยข่าวนี้ท่านเสด็จมาที่นี่มาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากกับผมเนี่แหละอันแรกก็คือคนมีปัญญาเนยคนมีปัญญาจะมองเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นแนวสอนให้เราได้รู้ได้ เ, เห็นว่าอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนควรมิควรอย่างไร สําหรับการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละนิทานเรื่องวาชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระพุทธองค์สอนให้รู้ว่าคือให้รู้ให้มองคนให้ออกอันไหนสูงอันไหนต่ํากาลเทสะบุคชนถึงจะเป็นพระราชาก็เถอะแต่ก็ยังเป็นลูกน้องของอาจารย์ถึงจะเป็นอาจารย์ก็เถอยังเป็นลูกน้องผู้ที่เหนือกว่าคือคือฤาษี เป็นผู้มีตาปะเป็นผู้มีศีลธรรมแต่เป็นลือีก็เถอะแต่ยังมีกิเลสอยู่พระปฏิเจกพระธ เ, เจ้าท่านหมดจดจากกิเลสเป็นอเสขะแล้วเป็นอาเส ข, ขาบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาในเรื่องต่างๆแล้วจบบริบูรณ์มีแต่เข้าสู่พระนิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่สรุปแล้วก็คือเรื่องการเป็นอยู่เรื่องศีล จ, จัดเข้าก็คือหมวดศีลคือการเป็นอยู่การวางตัวสำหรับพวกเราแต่เรื่องสมาธิก็พยายามทําจิตใจให้สงบเราจะภาวนาอะไรเราจะกําหนดเรื่องอะไรในใจของเราอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านแนะนำสั่งสอนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนอะพุโทโธพุโทโธให้มีสติในลมหายใจเข้าออก หาเวลาว่างๆอย่าไปผูกผ่านวุ่นวายขณะที่นั่งภาวนาโทรศัพท์วิทยุปิดไว้ก่อนให้อยู่ตามลําพังหรือหาหมุมสงบนั่งอยู่ที่ปลอดภัยจากนั้นก่อนนั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายและวก็นั่งภาวนานั่งให้นานบังคับอยู่ให้นานเราจะได้รู้ว่าเวทนาคืออะไรความทุกข์นั้นคืออะไร นเมื่อนั่งนานแล้วเราสู้กับเวทนาเจ็บปวดสิที่มันสั่นรึรเป็นยังไงเราจะเดยรู้อันนั้นแหะคือเวทนากายนี่ยคือมันมีเกิดจากเวทนาใจไปรับรู้แต่ถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยจวนเจียนจะทิ้งขาดทิ้งขันยิ่งมากกว่านั้นอีกเวทนาตัวนี้เจบปวดนี่มากมายแต่เธอเอาเธอ เอออันนี้แปลว่าลูกหลานเวทนาลูกหลานพยามัตจุราชมันแย่เล่นเฉยๆเอาไม้มาแย่เล่นเฉยๆแล้วเยังจะสู้มันไม่ได้ไงยังทรมานแต่ปู่ญ้าตาทวดเวทนาพยามัตจุราชจะมาเหยียบคอเราเนะี่ยยังมีอีกนะเวทนาย่อยเฮงพราะนั้นเราต้องสู้กับเวทนาลูกหลานมันก่อนอดทนไปก่อนเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนานั่งภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธเวลาเวทนาเกิดขึ้นกันอามากำหนดอยู่เวทนาร่างกายไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่ร่างกายนะเวทนามันเกิดจากกายนะแต่ใจไปรับรู้ตนเองอาใจไปรับรู้จากเรื่องของร่างกายนี่แหละเราจะได้รู้เราจะได้แยกออกแยกใจออกจากเวทนาตัวเจ็บปวดแยกเวทนาออกจากจิตแยกกายออกจากจิต แยกจิตออกจากกายให้เป็นอิสระเนยะเหมือนกับไฟมันจะไหม้รถเนะ่ยคนก็ออกมาจากรถก่อนนะ่ยลักษณะอย่างงั้นนะอ่ะถึงไฟมันจะรถมันจะเอื้อกเอื้อกเอื้อกแต่คนก็ออกมาจากรถมายืนอยู่อมันเป็นยังไงแต่ตัดมันติดเครื่องไว้อยู่เนเอยแต่มันเป็นยังไงเ้วก็ขยับเข้าไปดูอีกมันยังไปไม่ได้อีกอมันก็มาซ่อมอีกเอะไรว่าเอายาให้มันกินอะไรให้มันกิน ออกมาดูเอกดูเอกไว้ยังอึกอักกอักเอเออผลลพสุดซ่อมไม่ได้ตัวเองซ่อมไม่ได้ใช่ไหมโซเฟอร์เออจัตตาร์เครื่องอะไรมันก็ไม่ติดต้องเอาเข้าอู่แต่แน่ต้องเอาเข้าอู่เข้าอู่เขาซ่อมได้ไหมถ้าอู่เขาก็ซ่อมไม่ได้โอ้มันหมดสภาพพอแรงแล้วรถคันนี้จะทํำยังไงได้โซเฟอร์โอ้หมดสภาพเดียวก็จะทํำยังไงได้เพราะว่าเช่างช่างเขาซ่อมไม่ได้แล้ว โชเฟอร์จะทํำยังไงจะเป็นนั่งเฝ้ารถอย่างงั้นเหรอไม่ได้อีกสักวันหนึ่งมันจะเกิดสนิมไปเรื่อยๆอยู่ในพงหญ้าเลยสิเี๋จะไปเฝ้ารถอยู่อย่างนั้นได้เหรอเออโชเฟอร์ก็ต้องหนีออกจากรถล่ะสิเนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ดูเวลานั่งภาวนาให้ดูร่างกายของเราเนี่ยมันลักษณะอย่างนั้นนะเออให้พิจารณาดูนะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะกําหนดดูนะใจนะเนี่นี่แหละในเมื่อเราเห็นใจของเรา ใจของเรารวมสงบแล้วเราจะเห็นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าใจของเราไม่รวมนะจะมองไม่เห็นนะเออมันเดือนลางไปหมดถ้าว่าใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเรากายกับใจจากนั้นใจของเราเป็นหลงร่างกายเออหลงร่างกายว่าร่างกายเนี่ยจะอยู่โชกฟ้าดินสลายไม่ใช่อย่าไปหลงถึงขนาดนั้นใจนะ อีกสักวันหนึ่งร่างกายเนี่ยจะต้องแตกจะต้องสลายเท่าแกชา่ชราอย่างใจได้เห็นน่ะคนเท่าแก่ชราเห็นไหมไอ้คนตายเห็นไหมคนน้อยคนหนุ่มก็ตายได้คนเท่าคนแก่ก็ตายได้ใครๆก็ตายได้เพ้อๆ อ, อ, อีกสักวันหนึ่งเราอาจจะตายให้เขาเห็นก็ได้ฮะเพราะนั้นเรื่องความตายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนกับใครๆทั้งหมดอย่าไปหลงระเริงจนเกินไปนะใจนะอันนี้ก็คือใช้ธรรมะ สอนใจของเราเมื่อเรารู้ธรรมะรู้นอกรู้ในรู้ใกล้รู้ไกลรู้เขารู้เราเราก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมาจากนั้นก็ปล่อยวางเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอันนี้ถ้าทําอย่างนั้นได้คือเข้าขายแดนอมตะธาตุอมตะธรรมเข้าขายแดนพระรหันนะทีนี้เมื่อเราเรียนรู้จิตรู้แจง้งเห็นจริงเลยจบจบวิชา เป็นอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาและจบบริบูรณ์คือพระรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระรหันต์ยังเป็นเสขะอยู่นะยังต้องศึกษาอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นหลายเรื่องจริงๆมนุษย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นนะ เ, เป็นยังไงประเทศชาติบ้านเมืองการเป็นอยู่ของเราการดํารงชีพของเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลพวกเราเกิดมาโชคดีแล้ว ที่เกิดมาอยู่ในปฏิรูปประเทศเอแด้ก็ให้ตั้งตนไว้ชอบออืมปุเพก็จะตากุญญตาพวกเราคงได้ทําบุญไว้ในอดีตจังได้มาเกิดประเทศไทยแต่เมื่อมาเกิดแล้วให้ตั้งตนไว้ชอบนะถ้าตั้งตนไว้ไม่ชอบเนะ่ะจะเกิดไปเอต่างประเทศไปเตือที่ทุกทุ ก, ทกจนจนมีต่างเยอะแยะไปเอแล้วก็เราก็นับไว้โชคดีมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เป็นผู้ปกครองประเทศชาติปันเมืองมีพระพุทธศาสนามีสายหลวงปู่มั่นให้พวกเราได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาจากนั้นก็การสร้างบุญสร้างกุศลใครๆก็อยากได้บุญได้กุศลมากทางนั้นแหละอย่างพราหมณ์ในครั้งพรุทธเจ้าแต่แกก็อยากจะได้บุญมากบูชาพระพุทธทิศเจ้าแล้วพระสงฆ์แล้วยังบูชาพระธรรมจะทํำยังไงบูชาพระธรรมแสดงกับผลในสุดก็ยังมาหาพระพุทธเจ้าอีกอย่างเก่า เพราะตนพระธรรมก็อยู่ในนั้นพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธองค์บไม่ใช่แต่มีแต่ในครั้งนี้นะคนที่คิดอย่างนีนะ้ในอดีตชาติก็มีอยู่แนตะ่ ก, ก็ยกเรื่องพระเจ้าแผ่นดินเมืองพราณาสีชื่อโคลบนะจากนั้นกับโลหิตออกไปส อ, อดแนมซอดส่องการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินมีคนตำหนิไหม นี่แหละจากนั้นก็ได้ไปพบทั้งอมตะทั้งลือศีทั้งพระประเจกพุทธจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวนี่แหละอันนี้คือแนวแถวความคิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในการพูดในการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดแล้ต่อเนี้ไปนั่งสมาธินะนัที่นี้นะ